ธุรกิจหญิงคนหนึ่งไปเยี่ยมเพื่อนถึงบ้านเธอก็รู้จักกับเพื่อนคนนี้มานานนะตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเรียนโรงเรียนเดียวกั น, นก็เรียก ว, ว่าสนิทสนมคุ้นเคยมากพอเธอไปถึงบ้านของเพื่อนเอก็ประหลาดใจนะเพราะว่าบ้านของเพื่อนนี่มันโลง่งมี ข้าวของเครื่องใช้ไม่กี่อย่างเฟอร์นิเจอร์ก็มีไม่กี่ชิ้นนะตเตียงก็ไม่มีนะเพราะว่าเธอนอนเสือ่อนอนกับพื้นโต๊ะก็วีก็ไม่มีเพราะาเธอใช้ตั่งนั่งกับพื้นเฉยหนังสืออ่านหนังสือพอเธอเห็นแบบนี้เท่าเธอก็อุทานขึ้นมาเลยนะ ว, ว่าเนี่ย บ้านของเธอทำไมมันว่างอย่างนี้บ้านของฉันนี่ข้าของเยอะแยะตเต็มบ้านเลยน้ำเสียงของนักธุรกิจคนนี้มันบ่งบอกวา่าเธอไม่ชอบนะความว่างของบ้านหลังน้ำบ้าน ที่ดีมันก็ต้องมีของเยอะแยะเต็มบ้านอันนี้จะว่าไปมันก็เป็นทัศนคติของคนจน ไ, ไม่น้อ ย, นยในปัจจุบันที่มองว่าความว่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่การมีอะไรเยอะแยะเต็มบ้านเนี่ยหรือเต็มพื้นที่มันดีกว่า อย่างหลายคนี่พอเห็นป่าไม่มีผู้คนอาศัยไม่มีบ้านเขาก็มองว่ามันเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าคำ ว, ว่าว่างนี่มันไม่ได้ว่างเฉยๆมันว่างเปล่ามีนิยยะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะดีก็ต้องสร้างอะไรให้มันเต็มพื้นที่ อันนี้จะถึงจะเรียกว่ามีประโยชน์นะรกร้างว่างเปล่านี่ไม่มีประโยชน์แต่ยิงความว่างนี่มันมีประโยชน์นะแต่คนมักจะมองข้ามพระเจ้าเวทาเนี่ยเคยพูดว่าเนี่ยเก้าอี้มีประโยชน์ต่อเมื่อมันว่าง เก้าอี้เนี่ยถ้าไม่ว่างนะมันก็ใช้นั่งไม่ได้หรือถ้าไม่ว่างที่จะวางของอะไรก็ไม่ได้เก้าอี้เนี่ยจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันว่างเพราะถ้าว่างเราก็ใช้นั่งได้เช่นเดียวกันนะบ้านเนี่ยก็เพราะมันว่างนะเราจึงไปอาศัยอยู่ได้ ถ้ามันมีของเต็มไปหมดนี่เราจะไปอยู่ได้อย่างไรนะถึงอยู่ก็อยู่ด้วยความอึดอัดศาลาเนี่ยหอไตรเนี่ยมันมีเปลเพราะมันว่างเพราะมันว่างนี่คนก็เลยได้มาใช้สอยนั่งฟังหรือว่า เดินจงกรมทำความเพียรความว่างนี่มันมีประโยชน์เพลงเนี่ยถ้ามีแต่เสียงร้องพืดยาวเลยนะมันก็ไม่เพาะเวลาเราฟังนักร้องร้องเพลงเนี่ยนะมันก็ต้องมีการเว้นเว้นจังหวะ เป็นช่วงว่างถ้าเว้นวักเว้นจังหวะให้ความว่างเนี่ยปรากฏขึ้นในเสียงเพลงอย่างพอมาพอสมมันก็เป็นเพลงที่ไพเราะขึ้นมาหนังสือเนี่ยถ้ามีแต่ตัวหนังสือยาวเป็นพื้เลยนะมันก็ไม่น่าอ่านมันต้องมีการเว้นวักหรือมีช่องว่างระหว่างประโยค สมัยก่อนนี่หนังสือเนี่ยมันยาเป็นพุทเลยนะไม่มีการเว้นวรรคเลยแต่ทอนหลังเนี่ยพอคนเราเริ่มรู้จักการเว้นวรรคคือให้มีช่องว่างระหว่างประโยคมันก็น่าอ่านแล้วทั้นไม่พอนะมันก็ต้องมีการเว้นย้อดหน้าด้วยถ้าไม่มีย่อหน้าหรือไม่มีช่องว่าง ก่อนที่จะถึงย้อหน้าเนี่ยหนังสือมันก็ไม่น่าอ่านเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะสังเกตนะหนังสือของคนรุ่นใหม่นี่มีการเว้นวรกหรือเว้นช่องว่างนี่เยอะมากบางทีบรรทัดหนึ่งก็มีแค่ประโยคเดียวนะเขียนจบประโยคขึ้นบรรทัดใหม่เลยไม่ได้เขียนยาวเป็นพืชย้อหน้าก็มีเยอะ แต่ก่อนนี่กว่าจะมีย่อหน้านี่ประโยชน์นี่ก็ยาวเป็น 10, 20, 30บรรทัดเนี่ยถึงจะย่อหน้าเดี๋ยวนี้สีห้าประโยชน์สีหบรรทัดก็ย่อหน้าแล้วเพราะว่ามันทำให้หน้าอ่านมันไม่ใช่แค่สิ่งของนะที่มีประโยชน์เนี่ยเมื่อความว่างเกิดขึ้น ความว่างนี่มันยังเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ด้วยนะเดือพเพราะถ้ามันโยงมาถึงเรื่องของใจเนี่ยใจเราเนี่ยถ้ามันเต็มไปด้วยความคิดมันก็ทำให้เครียดนะหรือบางทีทำให้บ้าไปเลยก็ได้ที่เราไม่บ้าเนี่ย ที่เรานอนหลับได้เพราะว่ามันมีความว่างเกิดขึ้นในใจของเราคือว่างจากความคิดนะใครถ้าถ้าหาว่าคิดเนี่ยเต็มหัวสมองเลยก็คงแย่แน่แนแต่คนที่วิคนเริกคนที่เป็นบ้านี้ก็ก็มักจะมีอาการแบบนั้นแหละคือคิดไม่หยุดหัวสมองจิตใจนี่ไม่มี ภาวะที่ว่างจากความคิดเลยการที่ใจเราว่างจากความคิดเนี่ยนะมันช่วยทำให้เราไม่เครียดมันช่วยทำให้เกิดความผ่อนคลายมันเป็นการพักของใจก็ทำให้เรานอนหลับยิ่งนั้นเนี่ยเมื่อใจเนี่ยรู้จักว่างจากความคิดนะมันก็ทำให้ พลอยว่างจากความทุกข์ด้วยเพราะความคิดหลายอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือว่าทำให้เกิดอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรืออารมณ์ที่มันบีบคั้นใจหรือว่าทำให้จิตใจรุ่มร้อนเช่นความโกรธความเกลียด หนอเกิดความรู้สึกหนัก อ, อกหนักใจเอารมพวกนี้มันมันเกิดขึ้นเพราะมีความคิดบางอย่างนะที่เกาะกลุ่มจิตใจของเราแต่ถ้าใจเราเนี่ยัว่างจากความคิดบ้างว่างจากอารมณ์บ้างนะมันก็ช่วยทำให้ ความทุกข์ไม่กุมรวมจิตใจเรามากไปมันช่วยทำให้เราเป็นผู้เป็นคนได้หรือม้ทำให้เราพบกับความสงบนะความเย็นในจิตใจเลยก็ได้แล้วก็ตามเวลาพูดว่าใจมันใจเราว่างจากความคิดเนี่ยคำ ว, ว่าว่างนี่มันไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะในภาะวะที่ว่างจากความคิด วางจากอารมณ์อกุศลหรือวางจากความทุกข์เนี่ยมันเป็นพ่อใจเราเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เต็มเปลี่ยมอยู่อันนั้นคือความรู้สึกตัวถ้าใจเราเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกตัวหรือว่ามีสตินะเต็มจิตเต็มใจเนี่ยนะ มันก็ทําให้ภาวะที่ว่างจากความคิดและอารมณ์หรือความทุกเนี่ยเกิดขึ้นได้นั่นจะว่าไปเนี่ยภาวะที่ว่างเนี่ยหรือความว่างในใจเนี่ยมันก็มีความเต็มอยู่ในตัวเดือนกันมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยว่างจากความคิดว่างจากทุกเพราะว่า นะเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกตัวความว่างความเต็มเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้แยกกันเท่าไหร่นะไม่มีเรื่องเล่านะเกี่ยวกับอาจารย์ชาวอินเดียคนหนึ่งนะชื่ออาจารย์วิศนุ ม, นมีลูกศิษย์หลายคนนะแต่ว่ามีศิษย์สองคนที่เป็นศิษย์อาวุโสคนหนึ่งชื่อกฤษณะอีกคนหนึ่งชื่อจิต วันเนาจาริสุนุขนี่ก็อยากจะทดสอบสติปัญญาของศิษย์สองคนเนียก็เลยชี้ให้ดูกุตติสองหลังที่อยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่เป็นกุตติว่างๆแล้วก็มอบเงินคนละหนึ่งรูปีให้กับศิษย์สองคนเนียแล้วก็สั่งว่าเนี่ยทำยังไงก็ได้นะ เพื่อให้กุตติของเธอเนี่ยนะมันเต็มแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะมาดูผลงานตอนนั้นก็บ่ายแล้วนะิษสนานี่พอได้เงินเนี่ยก็ลิบไปที่ตลาดเยแต่ว่าหนึ่งรูปีเนี่ยมันก็ซื้ออะไรไม่ได้มากหรอกแล้วทำไงนะจะให้ห้องเนี่ยของตัวนี้มันเต็ม ก็นึกขึ้นมาได้นะพบถังออกแล้วก็ไปหาคนเก็บขยะแล้วก็เจรจานะขอซื้อขยะด้วยเงินหนึ่งรู ป, ปีคนเก็บขยะนี่ยินดีอยู่แล้วนะให้ไปเลยนะขยะเท่าไหร่ก็ได้เอาไปเลยโอ้กิษณะนี่ก็ คนขยะเนี่ยไปใสนะ่ในห้องของตัวเนี่ยจนเต็มเลยเสร็จก่อนค่ำนะภูมิใจที่ทำสำเร็จส่วนจิตเนี่ยพอได้โจทย์มาแกก็นั่งสมาธนะินั่งสมาธิพักใหญ่ก็ เดินไปที่ตลาดไม่ได้วิ่งไม่ได้เร็งรีบเหมือนกับอกิจสนะก็ซื้อประทีปซื้อทูกแล้วก็ไม่ขีดไฟนะหนึ่งรูปีนี่มันพอเลยพอกลับไปห้องตัวเนี่ยนะใกล้ๆ้ค่ำเนี่ยแล้วก็จุดนะจุดประทีปจุดทูก สักพักเนี่ยนะห้องของจิตเนี่ยก็มีแสงสว่างเต็มห้องเลยแล้วกลิ่นมะลิกลิ่นแก่นจัรย์นี่ก็อบอวนไปทั่วทั้งห้องอพอตกค่ามีอาจารย์ก็มาตรวจดูผลงานไปที่กุฏิของกิจศนาก่อน พอเปิดประตูทั้งนั้นมาก็ช ง, งักเลยนะผ ง, งาดเลยเพราะกลิ่นขยะมันแรงมากมันจะไม่แรงได้ไงนะขยะทั้งนั้นเลยในห้องเต็มห้องไปหมดเลยในทางองค์ข้ามเพออาจารย์ไปเปิดห้องของจิตเนี่ยเห็นแสงสวา่างสาดส่องเต็มห้องแล้วก็อบอวนไปได้วยกลิ่นมะลิกลิ่นแก่นจันน์แกก็ยิ้มเลย เรื่องนี้ก็ชี้เห็นนะว่าสิ่งคนไหนที่มีสติปัญญามากกว่ากันแล้วขณะเดียวกันมันก็ชี้เห็นนะว่าเวลาพูดถึงคําว่าเต็มเนี่ยนะกุติที่มีของเต็มเนี่ยเต็มมันมีสองอย่างนะเต็มแบบอ่ากุติของกิสณะนกุติของจิตนี่ก็เต็มเหมือนกันนะ แต่มันเต็มท้ามกลางความว่างนะห้องนี้ก็โล่งว่างแต่ว่าเต็มไปด้วยแสงสว่างแล้วก็อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมนะและในความว่างเนี่ยมันก็มีความเต็มนะอันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนมาจากกุตติของ จิตเนี่ยในความว่างกุฏิที่ว่างนี่นก็เต็มเต็มไปด้วยแสงสว่างแล้วกลิ่นหอมจิตที่ว่างจากความคิดเนี่ยจิตที่ว่างจากความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นจิตที่นะเปี่ยมไปด้วยสติเป่ยนไปด้วยความสึกตัว เวลาเราภาวนาเดินจงกรมสร้างจังหวะมันจะมีบ่อยครั้งที่จิตของเราเนี่ยมันว่างจากความคิดแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจริงเราไม่มีอะไรเลยนะมันมีความสึกตัวไม่มีความคิก็จริงแต่มีความรู้สึกนะหรือว่าความรู้สึกตัวรู้สึกถึงกายที่เคลื่อนไหว และที่รู้สึกถึงกายที่เคลื่อนไหวเพราะว่าไม่มีความสึกตัวในความว่างก็มีความเต็มและในความเต็มมันก็มีความว่างในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยทึกตันเนี่ยมันก็มีความว่างอยู่นะพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยตรัสสอนว่าเนี่ยให้มองโลก โดยความเป็นของว่างโลกในที่นี้ก็หมายถึงทุกสิ่งนั้นนะรวมทั้งก้อนหินรวมทั้งเสาเรือนก้อนหินเนี่ยมันก็ทึบตันนะแต่ว่าในความทึบตันหรือในความเต็มเนี่ยมันก็ว่างว่างอะไรว่างเปล่าจากความแห่งตัวตนหรือว่างจากตัวตนก็คือ เป็นอนัตตาว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีตัวตนหรือบางทีท่านก็ใช้คว่าว่างป่าจากความหแห่งตัวตนคือว่างจากคุณสมบัติของตัวตนคุณสมบัติของตัวตนคืออะไรคือมันเที่ยงมันไม่แปรเปลี่ยนมันไม่เสื่อมสลายควบคุมมัรค บ, บัญชาได้ แต่ว่าทุกสิ่งเนี่ยแม้กระทั่งก้อนหินเนี่ยรวมถึงก้อนหินด้วยเนี่ยมันก็ว่างป่าจากตัวตนมันแปรเปลี่ยนมันเสื่อมสลายมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครอันนี้ก็ว่างป่าจากความให้แหงตัวตนหรือบางทีเราก็ียกสั้นๆว่าไม่มีตัวตนหรือว่างจากตัวตนว่างจากตัวกูของกูในสิ่งที่เต็มทึบตันนี่มันก็มีความว่างอยู่ ถ้าเรารู้จักมองนะโลกโดยความเป็นของว่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในสิ่งที่มันจับต้องได้มีน้ำหนักทึบตันนี่มันก็ล้วนแต่เป็นของว่างล้วนแต่เป็นความว่างนี่กลับมาที่ใจของเราเนี่ยใจเราที่จะว่างจากความคิดได้เนี่ย ก็เพราะมันมีความรู้สึกตัวแล้วพอความรู้สึกตัวเนี่ยมันทำให้การวางความคิดออกจากใจเนี่ยเป็นไปได้ผู้องนี้คือว่าใจเราว่างจากความคิดได้ เ, เพราะเรารู้จักวางจะว่างได้เนี่ยต้องรู้จักวางก็เหมือนกับมือเราเนี่ยมือเราจะว่างได้เนี่ยเราต้อง วางของจากมือถ้ามือเราไม่วางของมันจะว่างได้อย่างไรความว่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะการวางจิตเราว่าจะความคิดได้เนี่ยเพราะเพราะการวางความคิดหรือไม่ยึดความคิดเอาไว้ที่วางความคิดได้เพราะมีความรู้สึกตัวแต่ที่ไม่วางเพราะความหลง วมไ่รู้สึตัถ้าเราอยากให้ใจของเราเว่างจากความคิดหรือว่างจากความทุกขนะ์มันก็ต้องรู้จักวางความทุกข์หรือว่าความคิดและอารมณ์ที่มันทำให้จิตใจเป็นทุกข์ขึ้นมาและจะวางความคิดและอารมณ์เหล่านั้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้สึกตัวพอถ้าไม่รู้สึกตัวมันก็จะยึดนะอย่างแน่นหนาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่น นันว่างกับวางเนี่ยมันสัมพันธ์กันมากเลยนะเป็นเพราะรู้จักวางนะจิตเนี่ยจึงว่างว่างจากความคิดว่างจากอารมณ์ว่างจากความทุกข์และใ น, ในะเวลาเดกันเนี่ยพอรู้จักวางเนี่ยนะมันจึงเห็นความว่างด้วยมันไม่ใช่ทำให้จิตนี่ว่างจากความคิดแต่มันยังเห็นความว่างเห็นความว่างหรือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ของความคิดและอารมณ์ถ้าจิตเนี่ยมันหลงมันเข้าไปยึดมันก็จะสำคัญมั่นหมายว่าเนี่ยให้ความคิดและอารมณ์นั้นเน่เป็นตัวกูของกนะูอันนี้เป็นธรรมดาเลยนะเวลามีความคิดเวลมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีส ต, ติไม่มีความสึกตัวเมื่อไหลเนี่ยมันก็จะเข้าไปยึดว่าเนี่ยคือกูนี่ของกู กูเป็นผู้คิดกูเป็นผู้โศกกูเป็นผู้เศร้าหรือความคิดของกูนะความโศกของกูความเศร้าของกูเกิดตัวกูนะผู้โศกผู้เศร้าผู้ทุกข์ขึ้นมาแต่พอวางสิ่งเหล่านี้ลงไปมันก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เพราะตอนที่วางเนี่ยนะมันเป็นการวางด้วยสติและสติก็ทำให้เห็นสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงไม่ข้อไปเป็นถ้าเห็นเมื่อไหร่นะมันก็ไม่ข้อไปเป็นไม่ข้อไปยึดและถ้าเห็นเนี่ยจริงๆก็จะรู้ว่าไอ้ความคิดและอารมณ์เหล่านั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา แต่พอความหลงพอความไม่มีสติพอความไม่สุดตัวจึงเข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานั้นการวางเนี่ยนะวางด้วยสติเนี่ยมันทำให้เห็นถึงความว่างของธรรมารมณ์นะที่มันผุดขึ้นมาในใจนะจึงพูดได้ว่าเนี่ยว่างกับวางเนี่ยนะมันใกล้ชิดกันมากถ้าเรารู้จักวาง ใจเราก็จะว่างจากความคิดและอารมณ์ได้เมื่อถึงเวลาที่จะคิดนะมันก็คิดได้มัอนกันแต่คิดโดยไม่ยึดมั่นถือมัน่นมาเป็นเราเป็นของเราถ้าไม่มีสติมันก็วางไม่ได้เมื่อวางไม่ได้เนี่ยมันก็จะไปหลงยึดว่าเป็นกูเป็นของกูอยู่ร่ําไปอันที่แรกเราวางด้วยสตินะไม่ใช่แค่ความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ แต่รวมถึงสิ่งอื่นที่กระทบนะตาหูจมูกลิ้นกายของเราด้วยก็คือวางรูปนะเมื่อมันกระทบตาวางเสียงเมื่อมันกระทบหูนะเสียงโทรศัพท์เสียงมาเหา่ามันกระทบหูอ่ะใจไม่ยึดมันดังก็ดังไปแต่ไม่ยึดคือวางอันนี้เราสักแต่ได้ยินรูปก็เหมือนกันเห็นแต่ก็วางเมื่อมีสตินะเรียว่าสักแตักแต่ว่าเห็น เสียงมากระทบมีสติรู้ก็สักตะวะได้ยินรวมถึงเวลามีอะไรมากระทบกายเกิดเวทนาทุกขเวทนามันเกิดขึ้นก็ไม่ยึดมันนะวางมันได้ปวดก็ปวดแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ปวดด้วยเพราะไม่ได้ไปยึดมันก็เป็นการวางแบบหนึ่งนะนะสติเนี่ยมันช่วยทำให้เราวางนะ สิ่งที่มากระทบไม่ว่าจากภายนอกหรือภายในก็ตามแต่ต่อไปเนี่ยพอมีสติเห็นอาการของความพิรละอารมณ์บ่อยๆเนี่ยมันก็จะเห็นถึงความจริงว่าพวกนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนปัญญาค่อยเกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่าเนี่ยจริงแล้วเนี่ย กายก็ดีใจก็ดีรูปก็ดีนามก็ดีมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ก่อนนี่ไม่มีสติก็ไปยึดว่ามีตัวมีตนกายเป็นของเรานะกายเป็นตนกายเป็นของตนใจก็เหมือนกันแต่พอมีสติเห็นนะมันเรื่อยเรเนี่ยปัญญาก็เกิด แล้วปัญญาก็ทำให้การวางเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นงั้นการวางเนี่ยใหม่ๆเราก็วางด้วยสติแต่ต่อไปเราก็สามารถจะวางได้ด้วยปัญญาและพอวางด้วยปัญญาแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่รูปธรรมนะแ้ทังนามธรรมก็วางได้ มยึดมั่นถือมัน่นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นนะคนก็ไม่ทุกข์แล้วล่ะมันก็ทำให้ว่างจากความทุกข์เนี่ยไม่ใช่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะแต่ว่างอย่างนะยั่งยืนเลยเรียกว่าหมดทุกข์สิ้นทุกข์ไปได้งั้นการการวางเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากนะ ที่จะช่วยทาให้เราเนี่ยได้เข้าถึงความว่างได้ไม่ใช่เพียงแค่ว่างจากความทุกข์นะแต่รวมไปถึงการที่เข้าถึงความว่างที่ปราศจากตัวตนนะของสรรพสิ่งที่ทำให้ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ต่อไปอ่ะอยานนี้พูทุทธนี้นะกราบร